หนึ่งรสบเอ็ดนี่หุบ ป, ปากพูดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสักทีได้ไหมฉันคิดว่าทีรพินชวนเราขึ้นมาที่นี่คืนนี้เขาน่าจะมีอะไรให้เราเห็นสักอย่างคมไม่ต้องการที่จะให้ขึ้นมาชี้ชมธรรมชาติหรือไอ้ใครมาปะท้าคารมกับใครหรอกมาร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือกันในปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าอย่างน้อยที่สุดฉันก็อยากจะรู้ วันนับตั้งแต่เราออกเดินทางจากจุดหมายเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงเนินพระจัน์เนี่ยมันเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีใครจดบันทึกหรือนับวันไว้บ้างหรือเปล่าตั้งแต่วิทยุเครื่องใหญ่ใช้ไม่ได้ขาดการติดต่อก็หอบังคับการมาโดยตลอดฉันก็ลืมวันเวลาหมดแล้วเหตุการณ์มันฉุกเฉินวิกฤตมาตลอดทุกระยะจะลืมอะไรต่ออะไรหมดคาพูดของคิดทาให้ทุกคนเริ่มคิด แล้วก็พบกับความประหลาดใจมึน ง, งงกันอยู่เงียบเงียบของภายในแต่ละคนเพราะมันเป็นความจริงตามที่คิดเปรยถามขึ้นมาทุกอย่างนั่นก็คือตั้งแต่เริ่มออกเดินทางกันมาโดยเริ่มต้นจากสถานีกับสั์หนองน้ำแห้งของระพินจนมาถึงเดี๋ยวนี้เนะ่เป็นเวลากี่เดือนกี่วันเข้ามาแล้วนาฬิกาเดินป่าที่ติดอุกับข้อมือของแต่ละคน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 แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเขาขึ้นมาได้เลยกราบใดก็ตามที่ไม่สามารถจะจำได้ว่าการเริ่มต้นได้เริ่มมาตั้งแต่วันไหนเชิดวุฒเองขณะนี้ก็กำลังคิดลำดับวันที่ยังวกวนคริสติน่าเงียบเฉยเป็นปกติส่วนเบนยักษ์ไหลบอกมาว่าฉันมีความรู้สึกแต่เพียงว่าฉันได้เดินตามหลังพรานนําทางที่ชื่อรพินไรวัน มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งศตวรรษในช่วงระยะเวลาระหว่างนี้ได้ตายไปแล้วแล้วก็เกิดใหม่อยู่หลายหนด้วยเออพวกเราก็ไม่ได้เฉลียวคิดกันมาก่อนถึงเรื่องนี้อนะเพราะคิดว่าจะต้องสามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมการเดินทางได้ตลอดเวลาสเตลลี่พึมพำออกมาเสียงต่ตําๆในลําคอพลางจุปากเบา มันก็จริงอย่างที่คิดพูดนะตอนนี้เรานึกกันไม่ออกแล้วนะว่าเราเดินทางกันมากี่วันแล้วอยากเริ่มต้นมีใครพอจะจำได้ไหมเนี่ยเชิด ว, วุฒิคริสตินาจำได้ไหมนายพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกไทยเบะ ป, ปากฮปบคุณเองยังไม่มีการบันทึกจดจาไว้แล้วผมจะจำได้ไงระยะเดินแท้จริงมันอาจไม่นานมันนี่นัก แต่ในความรู้สึกแล้วมันนานเหลือเกินนานจริงๆเพราะพวกเราเดินอยู่บนความทุกข์ยากทรมานขีดสุดเราแทบไม่รู้สึกว่ามันเช้าเมื่อไหร่มันค่ำตอนไหนหมดแรงเราก็ล้มตัวลงนอนบางทีก็สรบสไฉลยกันไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็แทบไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปแค่ไหนแล้วได้แต่มุ่งหน้าบักบันฟันฝ่ากันต่อไปเหมือนกับตกอยู่ในสภาพฝันร้ บกวนสับสนตะเกียกตะกายแล้วก็สมซานเหมือนอยู่ในนรกใครจะมาจำวันเวลาที่ผ่านมาได้แล้วถ้าไม่มีการจดบันทึกไว้ก่อนว่าเราออกเดินทางมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหนแล้วมาเที่ยวกับวันนี้คริสอะเธอพอจำได้มั้งไหมเรามากันแล้วสองเดือนสามเดือนหรือว่าห6กเดือนแล้วเนี่ยอเมริกันอาวุโสหันไปทางแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจาคณะ คริสติน่าทอดสายตาไกลีออกไปยังดวงจันทร์ซึ่งบัดนี้ค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นมาจากทิวตะคุ่มของยอดเขาตามลำดับฉันคิดว่าฉันเดินตามหลังชายคนนี้มันนานหลายชาติแล้วหล่นกระซิบแผ่วเหมือนจะกล่าวกับตนเองโดยไม่มีใครสำเนีกได้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก จึงดูเหมือนกับว่าหล่อนไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับหัวหน้าคณะเลยปล่อยให้สตาลีถามค้างอยู่เช่นนั้นและผู้ที่ให้คำตอบเป็นที่กระจ่างชัดกับทุกคนก็กลับกลายเป็นระพินหนึ่งรกับอีก9วันพอดีครับนับจากที่เราเริ่มออกเดินทางวันแรกจนถึงวันนี้ความจริงมันก็ไม่นานอะไรนักหรอกครับแค่สามเดือนกว่าๆท่านนั้นเอง แต่เราก็เหนื่อยกันเกินไปลำบากยากแค้นมากเกินไปจึงดูเหมือนว่ากินเวลายาวนานมากฮแค่ร้อยเก้าวันเท่านั้นเองเหรอสเตลลีคิดและเบลอุทานออกมาพร้อมกันครับไม่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะผมทำบันทึกปูมเดินทางไว้ทุกระยะในระหว่างที่พวกคุณอาจจะไม่สนใจ เอาเป็นว่าขอให้ผมได้ถามพวกคุณบ้างแล้วกันแต่แรกมาตัดสินใจที่จะให้ผมนาออกเดินทางน่ะฝ่ายคุณคิดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางนานสักเท่าไหร่ครับผมก็คิดว่าอยู่ในระหว่างหนึ่งเดือนหรือไม่เกินสี่สิบห้าวันไม่คิดหรอกว่าเราจะต้องมาเดินทางกันยาวนานอย่างนี้แต่กลับปรากฏว่ายิ่งเดิน ระยะเวลามันก็ยิ่งยาวนานออกไปโดยหาขอบเขตไม่ได้ไอสเบียงกลางสัมภาระของเราต่างๆก็ตัดเรียมมาในจำนวนเพียงไม่เกิน4ี่สิบห้าวันเท่านั้นมันจึงถูกใช้ไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสเบียงอาหารและเราก็ไม่ได้คิดเผื่อมาล่วงหน้าด้วยว่าเราจะมีอุปสรรคไม่สามารถติดต่อกับศูนย์บังคับการได้โดยมีความมั่นใจว่ายังไงเส เราก็ยังติดต่อขอกำลังบำรุงจากทางอากาศได้ตลอดเวลาหากว่าจําเป็นนั่นคือความจริงที่ฝ่ายอเมริกันเพิ่งจะเปิดเผยสารภาพออกมาและถ้าผมจะบอกพวกคุณเแต่แรกว่าไอการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ไม่รู้อนาคตไม่มีระยะเวลาที่จํากัดแน่นอนตายตัวลงไป และทางฝ่ายคุณจะไม่สามารถติดต่อกระศูนบังคับการของพวกคุณได้เลยพวกคุณก็จะไม่มีวันเชื่อผมหรอกผมจึงไม่ได้พูดความจริงสิ่งนี้ออกไปก็ปร้อยเหตุการณ์มันปรากฏกระสายตาของพวกคุณเองดีกว่าแต่สำหรับผมแล้วน่ะการใช้เวลาเพียงแค่ร้อยเก้าวันเพื่อเดินทางมาถึงเน่นพระจันทนระ์จัดว่าเร็วเกินคาดหมายซะด้วยซ้าครับ ทั้งๆ ท, ที่เรามัวไปเสียเวลาด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคอื่นๆอย่างมากมายแต่ก็มีข้อที่พวกคุณควรจะสังเกตเอาไ ว, ดว้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไปคิดอะไรให้มันเปลืองสมองมากเขาเว้นระยะหัวเราะต่าลึกในลำคอคิดถามมาทันทีเมื่อเห็นเขาทิ้งช่วงไปเฉยๆเหมือนไม่อยากจะพูดต่ออะไรเหรอระพินที่นายว่าเราควรจะตั้งเป็นข้อสังเกตอ่ะ ก็หวันเป็นระยะเวลาที่ฉันได้จดบันทึกไว้ชนิดวันต่อวันที่เราออกเดินทางกันมาเราแบ่งระยะเวลาออกเป็นสองส่วน30วันหรือหนึ่งเดือนแรกเรายังเดินกันอยู่ในป่าดิบธรรมดาอันเป็นป่าของโลกภูมิศาสตร์เวลามาตรฐานสากลมันก็คงจะเป็น30วันที่ผ่านไปอย่างเที่ยงแท้เมื่อเทียบกับเวลาของโลกภายนอก แต่อีกเจ็ดสิบกว่าวันหลังมาเนี่ยเราเพิ่งล่วงล้ำเข้ามาสู่โลกอีกซี่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแดนสนธยาแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าเจ็ดสิบวันของเราในดินแดนนี้มันจะเป็นกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีของโลกภายนอกสมมุติว่าเรามีโอกาสได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งการติดต่อกับโลกภายนอกของเราขนาดนี้นะมันขาดตอนลงโดยสิ้นเชิงแล้ว เราไม่รู้ว่าโลกภายนอกวันเวลาของเขาผ่านพ้นล่วงไปเท่าไหร่มันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองนัยยะคือถ้าไม่ล่วงผ่านไปนานเป็นปีๆก็อาจจะเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างสั้นๆเพียงไม่กี่วันของชาวโลกมันก็สุดแล้วแต่การเวลาในซีกส่วนนี้จะฉุดเราไปสู่อดีตการหรืออนาค ต, ตการด้วยอัตราความเร็วขนาดไหน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 สตตนลีเชิดวุฒเบลและคิตหยุดชะงักการเดินพากันหันขับมาจ้องเขาไปตาเดียวในลักษณะตกตะลึงตกใจนี่รระพินคุณนึกยังไงขึ้นมาถึงได้เกิดเมีารมขันขึ้นในตอนนี้นี่หัวหน้าคณะถามออกมาขณะที่จ้องหน้าเขาขมิงบรรยากาศของพวกเรามันเครียดมาตลอด ก็ขอให้ผมมีรมขันบางทีแล้วบอกตะกี้นี่ไงว่าไม่จำเป็นต้องเก็บไปคิดให้เปลืองสมองอีกฝ่ายหนึ่งบอกมาหน้าตาเฉยแสงจันทร์สาดเข้ามาที่ดวงตาทั้งคู่และมีพลายยิม้มล้อเลียนเต้นระยับอยู่ขณะนั้นทุกคนได้เดินขึ้นมาถึงใจกลางของเนินพระจันทร์แล้วท่ามกลางกระแสลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านกายจนสถานสัน่น ขุนเขาพระสิวะอัน ม, มาึืมาแลเหินเป็นเงาตะคุ่มสลับแถวริบบินสีเงินไปแต่งแต้มไว้ภูมิประเทศอันเป็นทิวเขาล้อมรอบที่ราบสูงแห่งนี้แล้วก็แลเป็นเส้นเงาสูงสูงต่ำๆอยู่ทั่วไปดูคลุมเครือเงียบสงับได้ ย, ไดยินก็แต่เสียงกระแสะลมเย็นพัดผ่านยอดหญ้าและกิ่งใบของสนภูเขา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 จะหันไปให้ความตื่นตาตื่นใจกับสภาพแวดล้อมอันวิจิตพิสดาร น, นั้นเพราะประโยคคำพูดอันแฝงไปได้วยปริศนาน่าคิดของมักกุเทศผู้ยิ่งยงซึ่งทุกคนฝากชีวิตไว้ให้กับเขาเพียงคนเดียวสิ่งที่ทำให้ต้องพากันคิดหนักก็พระชายผู้นี้มักจะไม่พูดหรือพูดน้อยแต่ถ้าเขาพูดจะไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระ หรือพูดมดเท็ดนี่ระพินฉันพิเคราะห์ไม่ถูกเลยนะว่าคุณพูดเล่นหรือพูดจริงในที่สุดแม่นักเคมีฟิสิกสาวก็ทำลายความเงียบของฝ่ายตนทุกคนขึ้นอืดูพวกคุณจะมีกังวลกันมากเหลือเกินนะในสิ่งที่ผมพูดเล่นแบบไร้สาระ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 นั่นหมายถึงตะ ว, วันหยุดการเคลื่อนที่เมฆหยุดการลอยสรรพสิ่งในบริเวณนี้ทั้งหมดหยุดชะงักไปหมดเหมือนภาพนิ่งจะมีก็แต่พวกเราย0ชีวิตที่มาด้วยนี่เท่านั้นที่ยังเคลื่อนไหวกันอยู่และเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อ่วยโอกาสลงมาให้ถึงเนินพระจันทร์ให้เร็วที่สุดตามข้อแนะนำของคุณเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่า ถ้าการเวลามันไม่หยุดให้เราวันนี้เราจะลงมาไม่ถึงเนินพระจันทร์และพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้พบตำแหน่งเนินพระจันทร์อีกนี่คือความมหาศักดิ์สทธ์ที่พวกเราทุกคนได้พบเห็นมาแล้วทีนี้เมื่อการเวลาหยุดนิ่งลงจะโดยเพราะอะไรก็ตามทีเถิดมันได้หยุดลงเฉพาะซีกส่วนนี้เท่านั้นส่วนเวลาของโลกภายนอกออกไป หรือโลกเบื้องหลังที่เราได้ผลักจากมาแล้วน่ไม่ได้หยุดตามไปด้วยมันคงดำเนินต่อไปตามปกติของยูนิเวอร์แซลไทม์หรือเวลาแห่งจักรวาล น, นี่ก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าการเวลาของเราตอนนี้มันได้แตกต่างออกไปจากการเวลาของโลกภายนอกแล้วขอฉันได้ถามครูสักนิด ครูว่าโดยแท้จริงแล้วจากหน้าผาสูงที่เราเดินลงมาถึงเนินพระจันทร์น่ะพวกเราใช้เวลากันทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่อะแล้วคุณว่าสักเท่าไหร่ล่ะราวสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงได้ไหมหลอนหันไปถามพักพวกคนอื่นอื่นสตาลีคิดและเบลพยักหน้ารับอืมอืมใช่ ก็ราวๆนั่นแหละก็แปลชัดแล้วว่าโลกภายนอกได้ลํำหน้าไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงในขณะที่โลกของเราที่นี่ยังนิ่งอยู่กับที่ตะวันเริ่มเคลื่อนที่อันหมายถึงเวลาเริ่มเดินหน้าอีกครั้ง <c oughs> เมื่อเรามาถึงเนินพระจันท์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเวลาของเราที่นี่เดี๋ยวนี้ ก็ต้องช้ากว่าโลกภายนอกไปเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดไปนั่นแหละถูกต้องไหมจอมพรานเลิกคิ้วขึ้นนิดนึงแต่ข้าวหน้าและอาการยังคงเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ควรจะถามผมเนี่ยถามพวกคุณกันเองดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณก็เป็นนักฟิสิกส์อยู่ด้วยตัวเองอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มากทีเดียว ในสิ่งที่คุณอ้างว่าคุณพูดเล่นสแตลีเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแป่งพลาดพลางพยักหน้าอยู่เนิบเนิบระพินผมว่ามันอาจจะเหมือนกับที่เราเดินทางออกนอกโลกด้วยยานที่มีความเร็วเท่ากัะแสงนั่นแหละระยะที่เราเดินทางออกไป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 เวลาของเรากับเวลาของโลกภายนอกต้องตายกันแน่ๆผมว่าคุณไม่ได้พูดเล่นใช่แล้วละ่ะรัพินแต่คุณพูดเรื่องจริงที่ครั้งแรกเราคิดไปไม่ถึงพรานใหญ่เอื้อมือมาจับแขนนายจ้างของเขาไวา้บีบเบาๆแม่ผมก็ไม่น่าจะพูดอะไรพวกคุณต้องคิดมากในเรื่องนี้เลยนะ แล้วก็ไม่อยากให้พวกคุณต้องมีกะาระกังบนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทำใจสบายครับถึงยังไงการเวลาของเรากับโลกภายนอกก็จะไม่ทิ้งห่างกันจนเป็นที่ผิดปกติอะไรมากมายนักหรอกอะรพินถ้างั้นขอถามอะไรสักอย่างฮะนายจะยอมตอบตามตรงได้ไหมล่ะคิดเอ่ยพรวงออกมาโดยเร็วหลังจากนิ่งงงอยู่เป็นนาน แต่ฉันจะโกหกก็แปลว่าฉันจะต้องมีเหตุผลของฉละล่ะคิดอล่ล่ะอยากรู้อะไรก็ถามมาก็อยากจะถามว่านายเคยนำทางคณะนายจ้างเก่าไปตามหาคนหายโดยผ่านเข้ามาดินแดนแห่งนี้แล้วก็ตามตัวกลับออกไปได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวถูกต้องไห ม, มถูกต้องแล้วนายใช้เวลาเดินทางไปกลับนานสักเท่าไหร่ แล้วเมื่อกลับออกมาถึงโลกภายนอกแล้วอ่ะระยะเวลาจากโลกภายนอกมันผิดแผกแตกต่างกันออกไปสักเท่าไหร่อืมคิดตั้งแต่ ค, บ, คบกันมาเนี่ยฉันเพิ่งจะเห็นนายตั้งคําถามอย่างคนฉลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ <c oughs> ระพินตอบปนหัวเราะเบาๆเอาละเมื่อนายถามตามตรงฉันก็จะบอกให้ตามตรงเหมือนกัน เรานับวันเวลาไปและกลับของเราโดยใช้เวลาเจ็ดเดือนเศษแต่เมื่อกลับออกมาถึงโลกภายนอกปรากฏว่าโลกเขาได้มีการเวลาผ่านไปแล้วสิบสี่เดือนเศจหมายถึงว่าโลกภายนอกน่ะเวลารุดหน้าตามปกติไปแล้วหนึ่งเท่าตัวของเราทั้งหมดตะลึงนิ่งเงันกันไปอีกครั้งเอา้าแล้วเวลาที่มันขาดหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ย มันไปเกิดที่ไหนล่ะเนี่ยในที่สุดเบนก็ถามมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบรรยายถูกระพินบุ้ยปากไปทางเทือกเขาพระศิวะอันกำลังอาบแสงจันอยู่ในขณะนี้โน่นครับในมรกตนครน่ดินแดนหลังเทือกพระศิวะเนะี่ยเป็นสถานที่ซึ่งยืดการเวลาของเรายืดการเวลาของเราให้มันเนิ่นช้าลง แต่เราไม่รู้สึกตัวกันเลยว่ามันช้ายังไงลักษณะไหนเพราะชีวิตการเป็นอยู่วันเวลาในดินแดนนั้นมันก็เป็นปกติทุกอย่างจนเราสันเหนียกไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีอยู่ในข้อที่ว่าในการล่วงล้ำเข้าไปในครั้งนั้นการเวลามันช้าลงไปเพียงแค่เท่าตัวเท่านั้นจึงเมื่อออกมายังโลกภายนอกแล้ว ผู้คนที่รอคอยเราอยู่ด้านหลังก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนักเราไปกันเจ็ดเดือนเศษเขาก็ว่าเราไปกันสิบสีเดือนเศษก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ปฏิทินวันเวลาของพวกเราภายหลังจากกลับมาถึงบ้านต้องยกเลิกปรับเทียบเวลาใหม่หมดเพื่อให้ตรงกับโลกภายนอกเขาทุกคนที่ไปในครั้งนั้น ไม่มีโอกาสที่จะปริปากบอกสิ่งใดที่เรารเผชิญพบเห็นแก่โลกภายนอกเพื่อให้เขามาเข้าใจกับเราได้เลยนั่นดีนะที่ว่าการเวลามันแตกต่างแค่เท่าตัวและเราก็เดินทางในระยะเวลาที่สั้นๆถ้ามันเกิดแตกต่างกันสิเท่าตัวเรากลับมาเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ประหลาดซึ่งมาจากโลกอื่นไปแล้วสำหรับโลกของเราเองที่เราเคยอยู่ แล้วก็คงจะมีประวัติบันทึกหลงเหลือให้เรากลับมาอ่านพบถึงเรื่องราวของเรากันเองว่าคณะของพวกเราน่ยได้หายสาบสูญไปแล้วเออเรื่องประหลาดมหาศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งนะที่คุณเพิ่งจะมาเปิดเผยพวกเรารู้เออเดี๋ยวนี้ซึ่งก็เป็นการดีมากที่เราจะได้มีโอกาสรู้ล่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนสตนลีกล่าวขึ้นด้วยอาการไข้ครวญหนักยังเต็มไปได้วยแววชะงน แล้วคุณคิดว่าการที่เราจะพยายามล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนนั้นเราจะถูกอำนาจของการผันเปลี่ยนการเวลาอย่างที่คุณเคยประสบมาแล้วเข้ามาครอบคลุมเราอีกไหมจะมีอัตราห่างกันหนึ่งเท่าตัวน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นยังไงระพินถอนใจลึกโครงศีรษะแช่มช้าอันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะเดาหรือคาดคะเนได้นะครับ ผมทำได้ก็เพียงบอกถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ที่ผมเคยพบมาแล้วเพื่อพิจารณากันเท่านั้นอระยะเวลาที่เคยแตกต่างกันหนึ่งเท่าตัวน่ะมันจะเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนตายตัวลงไปหรือมันจะผันเปลี่ยนแตกต่างกันไปยังไงหรือไม่เป็นสิ่งที่คาดหวังไม่ได้มันพ้นสติปัญญาความคิดของผมครับถ้ามันห่างกันหนึ่งเท่าตัวอย่างเดิมก็คงไม่มีปัญหาอะไรนัก สำหรับการจะกลับออกไปสู่โลกภายนอกของเราแต่ถ้ามันเกิดมีปรากฏการณ์ที่เหลื่อมล้ำผิดปกติออกไปมากเช่นห่างกันสักสิบเท่าตัวหรือร้อยเท่าตัวอย่างเงี้ยการกลับออกไปสู่โลกภายนอกของเรามันก็คงจะยุ่งยากพีลึกเพราะเท่ากับเราย้อนกลับไปพบกับโลกแห่งอนาคตซึ่งห่างจากตัวเราในเวลา น, นี้ออกไปเป็นร้อยปีหรือพันปีทีเดียว แล้วเราก็จะกลายเป็นมนุษย์โบราณตัวประหลัวประหลาดสำหรับพวกเขาทั้งหลายด้วยดีสิดีมากๆด้วยฉันจะได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกในสภาพที่ยังคงความสาวอยู่เงี้ยในขณะที่ผู้หญิงรุ่นเดียวกับฉันพากันตายแก่ตายกันไปหมดแล้วโอ๊ยน่าตื่นเต้นดีออกเบนร้องออกมาเบาๆพร้อมกับหัวรอคิๆๆๆ ดูหลอนไม่ได้รู้สึกอนาถรร้อนใจอะไรนะักต่างก่าคริสติน่าซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะขบคิดใคร่ครวนอย่างหนักกระแสะลมอันเย็นเยอือกพัดพลิ้วผ่านกายของแต่ละคนจนต้องยืนห่อไหลสถานสัน่นเดือนยิ่งลอยสูงพ้นเหลี่ยมเขาขึ้นมาทุกขณะส่องแสงสว่างไปทั่ว ทั้งหมดยืนกันอยู่เป็นกลุ่มในกลางเนินอันกว้างใหญ่ของทุง่งหญ้าอันโล่งปราศจากแมกไม้ใดๆบังทังสิ้นรพิงยามนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันแลเห็นซีของเขาส่วนหนึ่งแบ่งส่วนแยกออกจากทิวใหญ่เหมือนจะถูกแยกโดดเดี่ยวออกไปโดยเฉพาะขณะนี้แหลเห็นเงาตะคุ่มอยู่กลางแสงเดือน สันฐานอวบที่บริเวณส่วนโคนและเรียวสูงขึ้นไปยังยอดส่วนปลายสายตาของเขาจับนิ่งอยู่ที่เรียวเขาสูงตำแหน่งนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์ทั้งคณะต่างพากันเงียบไปชั่วขณะและฝ่ายนายจ้างทุกคนที่กำลังจับมองอาการอัญยืนสนิทนิ่งของเขาพยายามอ่านความรู้สึกภายใน มีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดหนักอยู่ขนาดนี้เหรอระพินโดยเฉพาะที่แท่งหินโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านอยู่นั่นสตาลีเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำๆพรานให ญ, ญ่ยกมือขึ้นขีบสันจมูกกลมหน้าลงหลับตาชั่วขณะหนึ่งแล้วเงยขึ้นอีกครั้งเพ่งสายตาจับไปยังจุดหมายเดิมครับผมยอมรับครับว่ากำลังคิดหนัก เมื่อพิจารณาไปที่แท่งหินสูงใหญ่ที่แยกส่วนออกจากทิวเขาที่เราเห็นอยู่ในขณะ น, นี้และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมเชิญทุกคนขึ้นมาที่นี่ในเวลานี้เพื่อจะเรียนความจริงบางประการให้ทราบพร้อมทั้งขอปรึกษาหารือด้วยครับอถ้างั้นก็อย่าลังเลที่จะบอกให้พวกเรารู้ในข้อปัญหาหนักใจของคุณพวกเราทุกคนกําลังรับฟังอยู่ระพิน สตาลีบอกมาในทันทีและคีก็เสริมอีกคนโดยเร็วว่านี่ระพินมันหมดเวลาที่เราจะต้องปิดบังอะไรกันอีกแล้วนาเพื่อนยากมีไรก็ว่าไปคือ <c oughs> อย่างนี้ครับเมื่อครั้งที่ผมนำนายจ้างคณะก่อนมาถึงที่นี่หมายถึงเนินพระจันทร์แห่งนี้ผมได้มาตามคำสั่งของลายแทงโบราณครับ ระพินพูดช้าๆชัดเจนน้ำเสียงเบาแต่ได้ยินไปทั่วทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ซึ่งกำลังเปิดโสดกว้างเตรียมรับฟังข่าวอยู่แล้วอย่างจิตใจจดจ่อตามลายแทงน่ะกำหนดให้เรามาถึงที่นี่ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ต้องตรงกับวันขึ้นห้าค่ำตอนนั้นเราได้เดินทางมาถึงก่อนหนึ่งวัน แล้วก็พักอยู่ในตำแหน่งที่พวกเราได้พักอยู่ขณะนี้ลเพื่อรอคืนของวันรุ่งขึ้นอันจะเป็นคืนของเดือนข้างขึ้นห้าคำ่ำเมื่อเรามาเราก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาหนักในข้อความที่กำหนดไว้เป็นปริศนาว่าปินพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดทันพระอุมาจะปรากฏให้เห็น จงไต่ขึ้นไปตามถันพระอุมาซีกซ้ายอันจะทําให้บรรลุถึงต้นทางแห่งถนนพระศิวะครับตอนนั้นพวกเรามืดมนกันไปหมดครับไม่อาจจะรู้ได้ว่าปินพระศิวะน่ะคืออะไรและจะฉายแสงขึ้นเมื่อใดและถันพระอุมาน่ะเป็นอะไรอยู่ทางด้านไหนอืมน่าสนใจน่าสนใจมาก แล้วไงต่อไปล่ะระพินอเมริกันอาวูสสักโดยไม่ยอมให้เขาหยุดชะ ง, งักครับพอตกเวลาค่ำพวกเราทั้งหมดก็ได้เคลื่อนย้ายจากที่พักริมทานน้ำขึ้นมารวมตัวกันอยู่บนเนินพระจันทร์เพื่อรอดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงตลอดเวลาก็ช่วยกันคิดค้นปริศนาลายแทงไปด้วย เราเห็นพระจันทร์ข้างขึ้นห้าคำ่ำลอยตัวอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อตะวันตกดินไปแล้วพวกเราพินิษดูพระจันทร์เป็นรูปเสี่ยวและพยายามตีปัญหาลายแทงไปต่างๆพวกคุณต้องเข้าใจสักก่อนนะครับว่าพระศิวะนะเป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดผู้รักษาจักรวาลทั้งหมดตามลัทธิของพราหมณ์และฮินดู แล้วพวกเราคนไทยก็จะได้รับอิทธิพลความเชื่อถือตามลัทธิพราหมณ์สืบทอดมาอีกทีหนึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าปิ่นของพระศิวะที่เสียบประดับอยู่เหนือเสียนั้นก็คือจันทร์เสี่ยวและเป็นจันทร์เสี่ยวขนาดพอดีกับพระจันทร์ขึ้นห้าคาที่เราเห็นกันอยู่ในคืนนั้นเราก็ฉุกใจคิดกันขึ้นมาเป็นเงาเงาบ้างเหมือนกันแหละ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 จันเซี้ยวที่เราคิดว่าควรจะเป็นปิ่นพระศิวะก็ไม่ได้มีแสงอะไรมากมายนะักแล้วเราก็มองไม่เห็นฐันพระอุมาว่าจะปรากฏอยู่ยังที่ใดตำแหน่งไหนในที่สุดแห่งการรอคอยอย่างมืดมนในปัญญาความคิดของเราจันเซี่ยก็คล้อยต่าไปทางตะวันตกทุกขณะเราจับตาดูจันเซี่ยวอยู่ตลอดเวลา กระทั่งขอบเสี้ยวส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ก็ลอยต่ำลงมาแตะติดกระยอดเขาที่แยกตัวสูงเด่นชะลูดลูกนั้นก็ลูกที่พวกเรากำลังพิจารณาดูอยู่ขณะนี้แหละครับตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณสักสามทุ่มเศษเศษและสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดอีกชนิดหนึง่งในชีวิตของพวกเราทุกคนก็พลันบังเกิดขึ้นทันที กคุณเดากันถูกไหมนะครับสิ่งมหาศจรรัจจันที่ผมว่านมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างงั้นเหรอทุกคนของฝ่ายนายจ้างและแม้แต่เชิดบุตรได้ร้องถามขึ้นเป็นเสียงเดียวพร้อมๆกันครับพอจันเสี้ยวห้าค่ำของคืนนั้นแต่ยอดเขาจอมพานกล่าวด้วยเสียงเช่มช้าชัดเจนของเขา ตายังคงมองจับนิ่งอยู่ที่เป้าหมายเดิมสิ่งที่พวกเราไม่คาดฝันหรือคิดไม่ถึงมาก่อนก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีครับนั่นก็คือหินสูงก้อนนั้นปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นทันทีมันเจอจ้าจะรัดไปหมดทั่วปริมณฑลภาพที่เคยเห็นภูเขา กลายเป็นเทวรูปมะฮืมาของสิวเทพขึ้นในลักษณะประทับนั่งอยู่บนแทน่นบนเศียงที่มุนกต่าไว้ด้วยเส้นเกษาประดับด้วยจันเซี่ยวเป็นปิ่นและปิ่นที่เป็นจันก็คือเซี่ยวของจัน์บนท้องฟ้าที่เคลื่อนลงมาแตะนั่นเองเสี่ยวของจัน์อันลอยลงมาประดับกลายเป็นปิ่นของพระสิวะ ก็ยิ่งแผดแสงแผ่รัศมีกว้างไกลออกไปทั่วสว่างไปตลอดทั้งเชิงเทือกเขาพระศิวะทั้งหมดเป็นที่มาสจัจรย์มากครับโอ้กอดคุณคุ ณ, ค, ณคุณหมายถึงมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดพากันตะลึงอยู่สแตนลีย์ร้องลั่นออกมาลืมตาโพล จะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือจะเป็นด้วยอภินิหารไม่หิธิอำนาจใดๆก็สุดที่จะเดาได้นะครับแต่พวกเราในขณะนั้นเผชิญพบเห็นพร้อมกันหมดทุกคนต่างร้องเอะโวยวายชี้กันให้ดูเทวรูปพระศิวะอันใหญ่มาคือมาสูงอย่างกฟ้าที่ปรากฏให้เห็นนั่นเวลาเดียวกันเมื่อพวกเราหันกลับไปทางเชิงเขาเทือกพระศิวะอันอยู่อีกด้านหนึ่ง รพินหันกลับและชี้มือไปยังเทือกของขุนเขาใหญ่ที่เลือนลางอยู่ด้วยลำยองแสงเดือนในขณะ น, นี้ทุกคนเหลียวมองตามครับเราทั้งหมดก็มองเห็นแถบเส้นทางของหิมะที่ตกบกคลุมเชิงเขาอยู่ขาวโพลนสว่างสวัยไปหมดและสูงเหนือเนินขึ้นไป เราได้เห็นเป็นภาพลักษณะเหมือนสวงอกของสตรีอยู่บนยอดบริเวณหนึ่งประกอบด้วยเนินเต้าถันทั้งสองซ้ายและขวาตรงกลางเป็นร่องเหมือนร่องกลางสวงอกมันปรากฏเป็นความจริงตามที่ลายแทงได้บอกไว้หมดทุกอย่างคือเมื่อปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาจะปรากฏให้เห็น ในขณะนั้นพวกเราทุกคนสางจากตะลึงและได้มองเห็นชัดแจ้งแล้วเห็นทั้งสิวเทศที่เพิ่งปรากฏองค์ขึ้นอย่างกระทันหันเป็นปินป่นที่ปักบนเส้นเกษาของพระองค์แผดแสงสว่างเรืองโรดและก็เห็นเต้าถันพระอุมาอันแท้ที่จริงก็คือกลุ่มก้อนของภูเขาหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดตอนหนึ่งของเทือกเขา ปรากฏตามคําบอกเล่าในลายแทงทุกอย่างและผมในฐานะมคุเทสนําทางก็เวยโอกาสนั้นในทันทีโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่นาทีเดียวสั่งให้ทุกคนของพวกลูกหบับและพวกนายจ้างที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วออกเดินทางจากตําแหน่งเนินพระจันท์ที่เราขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ในเวลานั้นตัดทางบ่ายหน้ายําลุยไปตามหิมะ บนเชิงเขาแล้วมุ่งหน้าเข้าหาเต้าถันซี่ซ้ายตามลายแทงบอกไว้โดยไม่รอช้าเราทุกคนในขณะนั้นเร่งรีบรุนหน้าไตามะกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วที่สุดไม่ได้เห็นกะเน็ดกัะเหนื่อยเลยแสงสว่างราวก็อาปลายไว้ด้วยสีทองสาดกระจ่างไปทั่วทุกขนทุกแห่งยิ่งกว่าเวลากลางวันจะอีก เป็นแสงที่อ่อนเรืองนุ่มตาที่สุดและคงสว่างสองทางให้แกเราอยู่เช่นนั้นตลอดระยะทางที่เรารีบพากันไต่ขึ้นมาเมื่อเหลียวกลับมามองที่องค์เทวรูปที่ปรากฏขึ้นอย่างพิสดาร น, นั้นเราทุกคนก็ยังเห็นพระองค์ประทับอยู่ณที่เดิมบิณจันทเสี้ยวคงปรากฏแสงสว่างสวัยอยู่เหมือนเดิมและปินอันเป็นพระจันทร์เสี้ยวของท้องฟ้า ก็ยังลอยมาแตะติดพอดีกลายเป็นปิ่นปักเกษาของพระองค์อยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้เคลื่อนคล้อยต่ำลับลงไปอย่างใดทั้งสิ้นทำให้เราแน่ใจว่าการเวลาได้หยุดนิ่งลงอีกครั้งหนึง่งเพื่อเปิดทางขึ้นให้แก่พวกเราเพราะถ้าการเวลาผ่านไปตามปกติตามระบบจักรราศี จันเสี่ยวจะต้องเคลื่อนตัวลอยต่าจากขอบยอดเขาลูกนั้นลงไปซึ่งถ้าจันเกิดลอยต่าลับตาไปเขาลูกนั้นก็ย่อมจะไม่เป็นภาพของสิวะเจ้าให้เราเห็นอีกต่อไปแล้วแต่นี่เสี่ยวจัน์ภายหลังจากแตะติดนิ่งแปลสภาพเป็นปิ่นของพระองค์ไปแล้วก็คงที่อยู่เช่นนั้นเป็นเวลานา น, านเพื่อทองทาง และชี้เป้าหมายให้เราเห็นเรากะกันว่าได้ใช้เวลาถึงสี่หรือ5ชั่วโมงเต็มๆที่พยายามตายรุดกันขึ้นไปจนกระทั่งถึงเนินถันซีกทรายตรงเป้าหมายแล้วนั่นแหละดวงจันทร์เสี้ยวจึงลับดวงบางเหลี่ยมเขาไปรูปพระศิวะอันตรธานแสงสว่างทั้งหลายอันเป็นปรากฏการธรรมชาติก็สิ้นสุดลง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 ขึ้นถึงถนนพระศิวะได้สำเร็จครับนี่คือเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทำให้ผมหาทางเข้าไปสู่ดินแดนลี้ลับมรกรนครได้ครับทุกคนในคณะฟังอยู่ในลักษณะแทบลืมหายใจนี่ครูถ้าเช่นนั้นฉันคิดว่าฉันพอจะเดาใจหรือเดาความรู้สึกของครูตอนนี้ออกแล้วล่ะ คริสติน่าเอ่ยขึ้นด้วยเสียงลึกของหล่อนจ้องหน้าเขาเขม็งด้วยประกายตาอัญชานฉลาดการที่ครูมาพบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือทางอิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็ตามซึ่งเกิดขึ้นที่นี่มันจะต้องเป็นคืนที่จำเป็นต้องตรงกระโคกกำหนดเจาะจงของลายแทงด้วยใช่ไหมชนิดที่จะคลาดเคลื่อนไม่ได้เลยหมายถึงว่าภายในปีหนึ่งย่อมมีอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นแหละ คือคืนขึ้นห้าค่ำเดือนพฤศจิกายนแล้วการที่จะมองเห็นอะไรได้ตามที่ครูบอกก็จําเป็นที่จะต้องขึ้นมาอยู่บนเนินพระจันทร์ตำแหน่งนี้ด้วยเพื่อรอให้จันทร์เสี้ยวเคลื่อนมาแตะติดยอดเขาลูกนั้นเพื่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นแล้วคุณเดาความรู้สึกของผมในขณะนี้ยังไงล่ะเขาถามมาเสียงขึ้ม เบงก็ตอบแซงมาอย่างตามความคิดทันเช่นกันว่าก็เดาว่าคืนนี้มันเป็นคืนแรมสี่ข่ำซ้ำยังไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนใชด้วยซ้ำสิคุณก็ย่อมคิดว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่คุณเคยพบเห็นเพื่อชิงเวลาเดินทางขึ้นไปบนเทือกพระศิวะจะต้องประสบความยุ่งยากแน่ๆแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ สเตนลีย์เสริมหนักแน่นมาอีกคนขณะนี้ยังไม่ใช่ฤดูหนาวหิมะไม่ได้ปกคลุมหนาแน่นอยู่บนเทือกพระศิวะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไม่ปรากฏเป็นเต้าถันของพระอุมาให้พวกเราได้เห็นแน่ๆต่อให้พยายามค้นหากันซักแค่ไหนซ้ำถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมเหมือนใครมาลาดทางไว้ให้ คุณเขาเชิงเทือกพระศิวะแห่งนี้ก็จะต้องขาดตอนอาจจะเต็มไปได้วยโตรกรวยหุบเหวไม่สามารถจะเป็นทางเชื่อมต่อกันเพื่อพวกเราใช้เดินไต่ขึ้นไปได้ต่างไปกว่าครั้งที่คุณมาตามกำหนดลายแทงในครั้งก่อนซึ่งมีหิมะหนาทึบเปรียบเสมือนถนนทอดขึ้นไปให้พวกคุณเดินไต่ทางขึ้นได้อย่างสะดวกระพินอึง่ง มือที่สวมถุงหนังทั้งสองลูบเข้าหากันช้าๆเขายังไม่เอ่ยคำใดในขณะนั้นไดแต่รีตามองไปยังทิวขุนเขามื่อมาทางด้านเหนือในลักษณะครุ่นคิดคิดเอื้อมือมาวางบนไหล่แกร่งข้างนึงของพรานใหญ่แล้วบีบหนักหน่วงนี่ระพินวันขึ้นห้าคำนะมันมีอยู่ทุกรอบเดือนน่แหละ แต่ถ้าเป็นขึ้นห้าข้ามของเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนจันเซียวก็คงจะไม่ลอยลงมาทำมุมได้องศาพอดีกับที่จะแตะติดกยอดเขาส่วนนั้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นรูปเทวรูปพระศิวะขึ้นนายมีความรู้สึกที่อยากจะบอกเราอย่างเนี้ยถูกต้องไหมทุกคนเห็นระพินถอนใจลึกและยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปาก พวกคุณทุกคนไม่มีใครโง่หรอกถูกต้องครับผมกำลังมีความคิดหนักใจอยู่ในสิ่งที่พวกคุณคิดทายใจผมอยู่ขณะนี้แหละในรอบปีหนึ่งมันก็มีอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นที่ปิณพระศิวะจะฉายแสงขึ้นเพื่อให้เห็นผันพระอุมานั่นก็คือคืนขึ้นห้าค่ำของเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีแต่นี่เรามากันถึงนี่มันเดือนมีนาคม างฤดูร้อนปรากฏการณ์ที่ผมเคยพบเห็นและใช้ประโยชน์ในการเดินทางย่อมต้องไม่เกิดขึ้นแน่ๆห <c oughs> ิมะก็ไม่ได้รวมตัวปกคลุมเทือกเขาจนก่อเป็นรูปร่างให้สังเกตได้อย่างที่ด็อกเตอร์สแตลลีพูดไว้ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนทางที่เราหมายถึงพวกผมในครั้งนั้นสามารถเดินย่ำหิมะกันขึ้นไปได้สะดวก เรากับใครมาทำทางไว้ให้อ่ะก็ย่อมจะไม่มีแล้วเชิงเขาพระศิวะแห่งนี้มันก็เต็มไปได้วยยอดสูงสู ง, สงต่ำต่ำเต็มไปหมดระหว่างยอดต่อยอดจะ ก, กลายเป็นหุบเหวลึกมีช่วงห่างกันปัญหาที่ผมอยากจะปรึกษาพวกคุณทุกคนก็คือเราจะขึ้นไปสู่ถนนพระศิวะได้ยังไง ในเมื่อไม่มีหิมะเป็นแนวทางให้เราเดินขึ้นไปอเมริกันทั้งสี่เงียบกริบกันไปอีกขณะนั้นเองเชิดบุตรผู้ซึ่งฟังเงียบเงียบมาตลอดเวลาก็ถามขึ้นเบาๆ เ, เป็นประโยคแรกว่าพี่ถึงแม้ในครั้งนั้นพวกของพี่จะใช้ความสะดวก จากการเดินทางไปบนกองหิมะที่ปูลาดไว้และมาคืนนี้เรามองไม่เห็นหิมะปูทางไว้ให้ก็จริงอะ่ะแต่ผมเชื่อนะว่าพี่คงจะยังต้องจําทิศทางการเดินในครั้งนั้นได้ไม่ใช่เหรอครับอีกประการหนึง่งพี่ก็ไม่ได้ผ่านเข้าไปเพียงแค่เที่ยวเดียวยังมีเวลาตอนเที่ยวขากลับอีกแม้พี่อาจจะไม่ได้ทําแผนที่ไว้ด้วยตนเองก็ อาจจะํำเส้นทางขึ้นลงได้ลวมั้งเบนดิตนิ้วโดยแรงเอาแขนเกี่ยวคอเชิดบุษผู้ยืนอยู่ใกล้ๆเข้ามาเอาริมฝีปากจุ๊บแก้มนายทหารหนุ่มหนักหน่วงพลางร้องแหลมออกมาว่าถูกต้องคุณน่ะดูเหมือนจงโง่ที่สุดไม่แต่บทจะฉลาดขึ้นมาเนี่ยก็ฉลาดกับพวกเราสิน่ารักจริงๆเลยคุณบุษเนี่ยที่คุณถามประโยคนี้ขึ้นมา ใช่ครับผมก็พอจะจำได้ว่าจากตําแหน่งเนินพระอิมพระจันทร์แห่งเนี้ยเราจะตัดขึ้นไปทางทิศไหนประมาณองศาที่เท่าไหร่จอมมักคุเทศเอ่ยขึ้นแผ่วเบาและถ้าเราสามารถจะหอกกันขึ้นไปได้แล้วก็ผมสามารถจะนำทางให้ไปถึงภายในคืนนี้ก็ยังไหวครับ แต่โดยทิศทางที่ผมกำลังเพ่งทบทวนความจาอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะไปให้ได้สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องไตต้องปีนต้อง ห, อห้อยโหนตามแกงโคถินขึ้นไปซึ่งมันก็คงจะเป็นการไต่เขาที่ลำบากยากเย็นที่สุดนับตั้งแต่เราได้ออกเดินทางมาก็นี่นะครับคือข้อหนักใจที่สุดของผม สเตลลียิ้มให้กับระพินระพินคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพวกเราที่มากันนี่ก็ล้วนเป็นนักไต่เขากันทุกคนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือไต่เขาเราก็มีกันมาพร้อมสําหรับทางฝ่ายพวกคุณเท่านั้นแหละโดยเฉพาะพวกลูกหาบแต่ถ้าหากเราไม่เร่งร้อนกันจนเกินไปนะค่อยๆแสวงหาลูกทางที่มันไม่เสี่ยงเกินไปแล้วก็ช่วยกันประคับประคองช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แบบตัวใครตัวมันผมก็แน่ใจนะว่ามันจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรที่หนักหนาเกินกว่าที่เราจะผ่านกันมาแล้วอ่ะถ้าหากว่าความห่วงกังวลของคุณที่มีอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับทางฝ่ายผมแล้วก็เอาเป็นว่าคุณสบายใจได้ถ้าจําเป็นจะต้องไตห่หนขึ้นไปเราทุกคนก็พร้อมนะในเงาจันทกระจ่างนวล น, นั้นทุกคนเห็นริมฝีปากอันเม้มสนิทของเขา ปรากฏรอยยิ้มขึ้นจังๆครับผมก็อยากจะให้พวกคุณได้รับทราบและเข้าใจไว้ล่วงหน้าก่อนในสิ่งนี้แหะครับสำหรับคนฝ่ายผมในเรื่องของป่าเขาลำนาวไพรแล้วไม่ต้องห่วงเขาเลยครับพวกเขาจะไปกันได้อย่างสบายพอสมควรทีเดียวแต่ที่ผมเกรงก็คือเกรงว่าพวกคุณจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเกินไป แล้วก็จะเกิดความท้อถอยซะก่อนทั้งๆที่เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามาถึงที่นี่ในเดือนพฤศจิกายนแล้วตรงกับขึ้นห้าค่ำพอดีครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะดวกไปหมดเพราะมีขนทางเดินได้ตลอดแม้จะต้องลุยไปบนหิมะในองศาที่ลาดชันขึ้นไปมันก็ยังดีกว่าที่จะไตยไปตามแก่งเขาของขุนเขา ซึ่งอาจจะมีอยู่หลายลูกสลับซับซ้อนกันอยู่เฮ้ยสบายใจได้เพื่อนญาติพวกเราพร้อมแล้วในเรื่องนี้พันเอกลาริคีตบอกหนักแน่นมาอีกคนพร้อมกับหัวเราะเห่าๆในลำคอเดี๋ไหนานายลองชี้ทิศทางเราดูสิเราควรจะายหน้าไปทางด้านไหนถ้าขีดเป็นเส้นตรง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 ถ้าไตาขึ้นอย่างเดียวแล้วบรรลุเป้าหมายมันก็ไม่กระไรนักแต่ถ้าไตาขึ้นแล้วไตลงจากนั้นก็จะตองไตขึ้นอีกสลับกันไปลูกแล้วลูกเล่ามันก็จะกินเวลาแล้วก็หมดเบลืองกำลังมากแต่ถ้าทุกคนบอกว่าพร้อมแล้วก็รับรู้ล่วงหน้าแบบนี้ฉันก็ค่อยรู้สึกปลอดปลงใจขึ้นนะจะได้ไม่เกิดอาการท้อแทหรือมาต่อว่ากันทีหลัง พรุ่งนี้เวลาตะวันขึ้นเราจะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้ชัดเจนกว่านี้ในหนทางที่เราจะมุ่งหน้าไปเรื่องนี้ครูเลิกห่วงได้แล้วละ่ะมาด้วยกันจนถึงขนาดนี้แล้วมันจะยากลําบากอีกสักแค่ไหนพวกเราก็ไม่หวัน่นเนาะแล้วก็เชื่อแน่ด้วยว่าโดยไหวพริบสติปัญญาของครูจะต้องหาทางไต่ขึ้นไปได้โดยลําบากน้อยที่สุด ครูอาจจะแสวงหาทางลัดได้อีกก็ได้เมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วคริสติน่าพูดเสียงใสกังวาลเหมือนจะเป็นการช่วยปลุกปลอบให้กำลังใจส่วนเบนนหัวเราะอย่างไม่อนังขังขอบอะไราทั้งสิน้นโล r มาว่าคุณน่ะเกิดความกังวลห่วงใ ย, ยต่พวกเราเกินกว่าเหตุฉันรู้สึกเหมือนกับว่าถนนประสิวธที่เราจะไต่ไปถึงนั่นมันอยู่แค่อื้มนี่เอง พวกเราเดินตายรอดพ้นวิบัติภัยมาได้จนเกือบสุดปลายทางแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นทาให้ไปไม่ถึงกม็มันรู้ไปยังไงบุตรผมก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นอะดาบใดก็ตามที่เรายังมีระพินไทวันเป็นคนนำทางอยู่เฉิดบุตรยำ้ำขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกาลังใจให้ผมอย่างมาก ฉันั้นก็หมดปัญหาแล้วที่ผมเชิญทุกคนขึ้นมาแบบนี้ในคืนนี้ก็เพื่อจะบอกให้ทราบในทิศทางและเส้นทางการเดินต่อไปของพวกเรานี่แหละว่ามันจะแตกต่างกว่าสมัยที่ผมนำคณะก่อนมาในครั้งนั้นเมื่อทุกคนสามารถเข้าใจได้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันผมก็ปลงใจขึ้นแล้วราพินมีสีหน้าที่แช่มชื่นพึงพอใจขึ้นขณะที่กล่าวด้วยน้าเสียงกังวนลึก แล้วก็กล่าวต่อมาอีกว่าทั้งนั้นก็กลับลงไปพักผ่อนกันนะครับระหมดธุระรบนนี้ในคืนนี้ละเราจะนอนพักเอาแรงกันให้สบายที่สุดไม่ต้องเร่งร้อนรีบด่วนอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางในตอนสายหน่อยไม่ต้องถึงก็ต้องรีบตื่นขึ้นมาตอนเช้าปลู่อะไรนักหรอกเสงจันทร์บนเนินพระจันทร์นี่งามประทับใจเหลือเกิน บรรยากาศโรแมนติกที่สุดเหมือนอยู่ในสวรรค์ขอให้ฉันอาบแสงจันทร์อยู่ที่นี่อีกสักหน่อยไม่ได้หรือไงเบลเอ่ยขึ้นอย่างล่อๆขนาดที่สุดลมหายใจลึกแหงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมทั้งกลางแขนทั้งสองออกระพินก็บอกมาเรียบๆว่าครับได้ครับเชิญตามสบายครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคิดหรือคุณบูธไว้ให้เป็นเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วไทยทุกคนกลับลงไปก่อนแลเหลือยอดชายนายราพินอยู่กับชั้นเพียงสองคนไม่ได้เหรอหล่อนย้าวมาหนักๆอีกพร้อมทั้งเอื้อมมือแตะปลายคางเขาระพินหัวรอกขันๆไม่ถืออะไรพลเดินล่วงหน้าไปก่อนช้าๆเมื่อ น, นั้นคริสตินาก็กระชากแขนแม่เพื่อนสาวขี่เล่นให้ออกเดินตามหลังทุกคนไปด้วยกระซิบมาว่าบ้า เขากำลังอารมณ์ดีอยู่อย่าทำไม่ต้องหงุดหงิดหัวเสียขึ้นมาอีกสิว่าแต่เธอเหอะฉันรู้สึกวิายาณหลังๆเนี่ยเธอเปลี่ยนท่าทีไปจากเข้ามากเลยนะเบนคุยกับคริสแบบให้ได้ยินกันลำพังสองคนเพราะเดินทิ้งท้ายอยู่เบื้องหลังด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่สแตนลีคีทเชิดบุตรและรพินเดินรวมกลุ่มสนทนากันไปเบื้องหน้า เปลี่ยนท่าทีอ่ะอหมายถึงไงอีกฝ่ายหนึ่งขมวดคิ้วมองหน้าฝ่ายหนึ่งยักไหล่ก็ก่อนเนี่ยฉันเห็นเธอจ้องที่จะขมือเขาได้อย่างซ่อนเร้นลึกลับโดยไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นเท่าทันได้ไงเดี๋ยวนี้เห็นเลิกพยายามไปแล้วทำไมถึงเปลี่ยนความคิดซะละ่ะนี่คอยรู้ไว้แต่เพียงว่า ขนาดนี้ฉันมีแต่ความเคารพนับถือเขาเสมอด้วยครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนไหนไปทำให้หัวใจอันมั่นคงของเขาต้องเสื่อมคุณค่าไปแม้แต่เธอเธอเองก็เถอะ อ, อย่าได้บังอาจเป็นน้ำขาดจำไว้ถ้าเธอขืนทำอีกฉันจะฆ่าเธอไม่เพียงแต่พูดคริสติน่าขยุ่มอุ้งมืออันทรงพลังเกินตัวบีบที่ต้นแขนของเบล จนแม่ผมแดงต้องร้องมาดังๆเบื้องหน้าห่างออกไปห้าหเกทั้งสี่ชายที่เดินรวมกลุ่มกันไปด้วยไม่ได้สนใจอะไรกับเสียงร้องเอะอะของเบนนักจะมีก็แต่คิดเท่านั้นที่หันมาถามว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> เกิดอะไรขึ้นข้างหลงังอะไม่มีคำตอบใดๆจากสองสาวนอกเสียจากเสียงบ่นอะไรอุบอิบจากเบนเท่านั้นแล้วก็ไม่มีใครสนใจ อะไรอีกทั้งชุดกลับลงมาถึงที่พักซึ่งพรานลูกน้องของรพินทั้งสี่ยังคงนั่งล้อมรอบกองไฟย่างเนื้อรอคอยอยู่รพินแวะเข้าไปพูดสั่งการกับคนฝ่ายเขาอยู่อีกครู่เดียวก็กลับเข้ามาเลือกที่นอนด้านซ้ายสุดซึ่งคิดอยู่กับที่นอนของด็ตรสแตนลีย์เอ็นหลังเหยียดยาวลงกับพื้นที่ปูผ้าใบไว้ หัวหน้าคณะอเมริกันดึงผ้าแบรงเก็ตแบ่งชายไปให้เขาที่นี่มีอันตรายอะไรที่เราจะต้องระวังบ้างไหมเนี่ยสแตลลีถามเบาๆระหว่างที่ขยับตัวหาตําแหน่งนอนให้เหมาะรัพินรูปปีกหมวกลงมาปิดหน้าไว้ครึ่งหนึ่งไม่มีครับแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับก็อขอให้ทุกคนนอนหลับกันให้สบายก็แล้วกันสำหรับคืนนี้เออนี่รัพิน มรกรนครที่เรากําลังจะมุ่งไปสู่เนี่ยเป็นไงมั่งสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเสียงนายคีที่นอนถัดไปถามมาบ้างก็กรุงเอเธนหรือกรุงโรมก่อนครีสตการเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมหรือการเป็นอยู่ของผู้คนสภาพบ้านเมืองเออแล้วนายก็เห็นเองแหละแล้วเขาจะต้อนรับคนแปลกถิ่น และมาจากโลกภายนอกอย่างพวกเราเหรอครูคริสติน่าเอยยมาจากอีกมุมหนึง่งดูเหมือนจะถัดจากตำแหน่งที่นอนของนายคิดออกไปปกติแล้วเขาก็จะไม่ต้อนรับคนจากโลกภายนอกหรอกแต่มันสึกแต่ว่าคนจากโลกภายนอกน่ะเป็นใครผมแน่ใจว่าพวกเขาทั้งหมดคงจะยินดีที่ได้พบเห็นผมอีก หมายถึงเจ้าผู้ครองนครหรืออดีตคนใช้คณะเดินทางของคุณในครั้งนั้นน่ะเหรอระพินเบนป้อนคำถามมาบ้างแสดงว่ายังไม่มีใครหลับลงในขณะนั้นใช่ครับรวมทั้งข้าราชบริพารและประชาชนพลเมืองทุกชัน้นทุกเหล่าด้วยเออแล้วเขาอยู่กันในลักษณะไหนนะชุมชนเล็กๆคนกลุ่มน้อยกระมัง ประชากรสักเท่าไหร่พวกคุณเดาหรือคิดคำนึงยังไงมันก็ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงซึ่งจะได้ไปเห็นกะตาหรอกครับมรกรณครน่ะเป็นมหาอาณาจักรมีหัวเมืองบริวารใหญ่น้อยนะับเป็นสิบสิบเมืองครับประชากรก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านคนมีรัฐสภามีกองทัพมีมหาปราสาทราชมทียน ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมหาอาณาจักรของโลกภายนอกจะพึงมีล่ะครับเพียงแต่ย้อนหลังไปสู่อดีตไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันปีมาแล้วหลบซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกแห่งความลี้ลับไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดสมบัติของดินแดนนั้นถ้าตีกันเป็นราคาเงินหรือทรัพย์สินสากล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 แต่จะนำติดตัวออกมาไม่ได้เลยครับแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเขาไม่หยิบยืนให้นี่เป็นข้อสัญญาและขอทำความเข้าใจไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก่อนที่ผมจะนำพวกคุณล่วงล้ำเข้าไปซึ่งก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาด้วยกันคงยินยอมปฏิบัติตามเออแล้วแล้วเครื่องมีห้ารบสองกระเบิดของเราอะ ถ้าหากไปพบว่าตกอยู่ในดินแดนอย่างที่เราหวังกันไวล่ะคุณหัวหน้าคณะระเบิดนิวเคลียร์ร้องถามออกมาเสียงสูงในที่ซึ่งทุกคนนอนเรียงรายรวมกันอยู่ในหน้ากระดานเหมือนภาพใบปูผืนเดียวกันความเงียบได้เข้ามาปกคลุมอยู่ขนาดจิตต่างดูเหมือนกําลังฟังความหินจากมัคคุเทศนาทางอยู่ โดยคำถามของหัวนาคณะที่ตั้งขึ้นเรื่องนี้เอาไว้ให้ให้ไปถึงไปพบแล้วก็ไปเห็นกระตาซะก่อนดีกว่าครับหลังจากนั้นเราค่อยหารือกันอีกทีนี่นี่คือคำตอบเรียบราบแผ่วต่ำจากบุรุษผู้นั้นเอ๊แต่เราน่าจะหารือกันไว้ก่อนก็ได้นี่นาคุณ เพราะนี่น่ะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการเดินทางมาของเรานายก็รู้ดีอยู่นี่ว่าซากเครื่องบินบีห้าร้สองลำนั้นน่ะมันไม่มีความหมายอะไรหรอกแต่ระเบิดนิวเคลียร์สิบเม ก, กะตันลูกนั้นน่ะคิดเอ่ยมาแผ่วเบาน้ำเสียงบ่งบอกถึงความวิตกกังวลเต็มที่นี่พวกนายยังเสียดายระเบิดล้างโลกโลูกนั้นกันอยู่ไง ระินถามมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆ เ, เรื่อยๆอย่างเดิมเมื่อ น, นั้นฝ่ายของนายจ้างจึงพากันดึงกายขึ้นมานั่งอีกครั้งจากท่าที่เอนอนลงไปแล้วในเงาสลัวพรมแพลมจากแสงไฟที่ก่อไวสาดเข้ามายัางบริเวณที่พักนอนส่องให้เห็นคาวหน้าที่เต็มไปด้วยความอึดอัดของแต่ละคนอย่างเด่นชัด แต่พรานนำทางก็ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมโดยมีหมวกปิดรุบหน้าไว้ครึ่งหนึ่งเช่นนั้นนิรพินมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะผู้ที่พูดขึ้นอย่างเคร่งขรึมคือหัวหน้าคณะอเมริกันพวกเราที่มาด้วยกันทั้งสี่คนนี่ รวมทั้งรัฐบาลสารัฐและก็คนสหรัฐทั้งหมดไม่มีใครเสียดายระเบิดลูกนั้นหรอกคุณถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นรู้แน่ว่ามันได้อันตรธานหายไปจากโลกนี้แล้วโดยไม่มีพิษร้ายของมันยังเหลือตกค้างอยู่หรืออาจจะเกิดพิษภัยขึ้นมาได้ในภายหลังแต่ที่เรายังติดข้องห่วงยใยอยู่ก็โดยสํานึกแห่งมนุษยธรรมและความรักในมนุษยชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบเต็มที่เฉพาะพวกเราสี่คนที่รับงานมาในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้สร้างระเบิดลูกนั้นมาเราไม่ได้รู้เห็นมาก่อนเลยเช่นกันว่าไอ้ระเบิดลูกนั้นน่ะมันเคลื่อนย้ายจากที่ใดจะมุ่งหน้าไปที่ไหนไปเพื่ออะไรแต่เราได้รับมอบหมายมาเฉพาะหน้าที่ให้ติดตามค้นหาให้พบ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 ขอให้คุณได้รู้ไว้ด้วยผมเองน่ะเป็นคนหนึ่งในคณะกัรมาทิการของพลังงานปรมาณูเพื่อสันติผมนะ่ะแอนตี้สงครามมาตลอดชีวิตผมอยากใจโลกของเราทั้งหมดเนี่ยได้อยู่อย่างสันติพราดรภาพไม่มีการเบียดเบียนข่มเหงราวีกันแต่จงมองลึกลงไปในความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ตราบใดก็ตาม ที่ฝ่ายตรงข้ามยังแสดงท่าทีคุกคามโลกทั้งหลายอยู่เราก็จําเป็นจะต้องมีอํานาจในการต่อรองมีอํานาจไว้เพื่อถ่วงดุลไม่ให้เกิดสิ่งอันที่เราไม่พึงปรารถนาขึ้นแล้วเตรียมพร้อมนะไม่ได้หมายความว่าเราจะลุกรานใครผมอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งนี้เพื่อว่าในจิตใต้สํานึกของคุณจะได้ยุติการมองเราในแง่ร้ายอย่างเด็ดขาดสักทีผมรู้นะรพิน โดยเปลือกนอกทั่วๆไปแล้วการที่เราได้ร่วมชีวิตกันมาจนถึงบัดนี้เรารู้ว่าคุณอย่างซึ้งรักน้ำใจของพวกเราแล้วก็ยอมรับเราไว้เป็นเพื่อนแต่ลึกลงไปกว่านั้นโดยที่คุณเองก็อาจจะไม่รู้ตัวนั่นคือจิตใต้สำนึกคุณยังเกลียดยังไม่ไว้วางใจพวกเราอยู่ดีโดยที่คุณก็อาจจะไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจเลย เราอยากจะเคลียร์จิตใต้สำนึกส่วนนี้ของคุณออกไปจากสมองของคุณเสียไม่ว่ามันจะซ่อนลึกอยู่แค่ไหนนะระพิน